หมดที่82มักผลนิพพานอยู่เลยความตายไปนิดเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นท่านพระครูได้ฉันอาหารทิพย์อีกครั้งเพียงเดินลงเนินไปก็พบผลไม้สีแดงสดเหมือนเมื่อวันวานแล้วก็มีผลเดียวเรากับไม่ต้องการให้ท่านฉันมากกว่านั้นภิกษุวัยส5ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยอีกต่อไปว่า เหตุใดผ ล, ลไม้เกิดขึ้นเติบโตและสุกงอมได้ภายในหนึ่งวันทั้งนี้เพราะท่านรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เทวดาเนรมิตขึ้นเพื่อจะช่วยสงเคราะห์ท่านให้มีเรี่ยวแรงในการทำความเพียรท่านสงเคราะห์เทวดาด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาก็สงเคราะห์ตอบด้วยอาหารทิพนะับเป็นการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและกัน ของผู้ที่ยังต้องเวียนไหวยอยู่ในวัดสงสารขออนุโมทนาสำหรับอาหารที่พอประทังชีวิตไปได้อีกวันหนึ่งท่านขอบคุณเทวดาอยู่ในใจแล้วปลิดผลไม้จากขั้วเดินไปยังโขดหินและลงมือฉันชันเสร็จจึงเดินกลับมายังบริเวณที่ท่านใช้เดินจงกรมและนั่งภาวนา หลวงพ่อดานั่งอยู่ตรงที่เคยนั่งท่านจึงเข้าไปกราบสามครั้งและพูดว่าหลวงพ่อมานานแล้วเหรอครับเราไม่ได้ไปไหนภิกษุรัตนยูตอบแต่เมื่อกี้ผมไม่เห็นหลวงพ่อนี่ครับสิทธิ์แย้งเธอไม่เห็นเราแต่เราเห็นเธอเห็นตลอดเวลาถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อก็เห็นผมฉันผลไม้ที่เทวดาเนรมิตรไว้ให้ พวกเทพเขาชอบช่วยเหลือมนุษย์เหมือนกันเหรอครับก็ไม่แน่เสมอไปพระเทพที่เป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นส่วนพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐินอกจากจะไม่ช่วยแล้วบางทีก็ก่อกวนให้เดือดร้อนรำคาญอีกด้วยถ้าเธอพบกับเทพพวกหลังเธอจะทำอย่างไรท่านตั้งใจทดสอบภูมิธรรมและภูมิปัญญาของศิษย์ ผมก็จะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เขาครับถ้าเธอทำอย่างนั้นและพวกเขายังไม่เลิกรบกวนอีกเธอจะทำอย่างไรสิทธิถูกอาจารย์ทดสอบอีกผมก็จะใช้ไสยศาสตร์จับเทวดามาทรมานเสียให้เข็ดนั่นคือวิธีแก้ปัญหาของนักปฏิบัติหรือถ้าเธอแก้ปัญหาด้วยวิธีก่อเวรรับรองว่าเธอไม่มีวันเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ลืมซะแล้วหรือพระพุทธองค์ตรัสสอนด้วยว่าอย่างไรนาหิเวเรนะเวราณิสัมมันติถะกุธาจนังในโลกนี้เวรระงับด้วยเวรไม่เคยมีครับแล้วจะต้องทำกับเทวดาอย่างที่พูดมาได้อย่างไรมิเรียกว่าก่อเวรหรือผมพูดผิดนะครับหลวงพ่อ ไม่เป็นไรพูดผิดพูดใหม่ได้ผมขอพูดใหม่คือผมก็จะคิดซื่อว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเทวดาเขามารบกวนก็เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมใช้ความเพียรพยายามให้มากขึ้นหรือไม่ก็คิดว่าผมเคยทำกรรมไม่ดีไว้กับเขาเขาจึงมาทวงคืนผมก็จะชดใช้กรรมนั้นโดยไม่ปฏิเสธทุกข้อหาครับ นั่นแหละเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องถ้ามัวแต่คิดที่จะก่อเวรปัญหาเจ้าจักไม่จบลงง่ายๆเอาละต่อไปนี้ขอให้เดินจงกรมสีชั่วโมงนั่งอีกสีชั่วโมงจากนั้นเราจะมาสอบอารมณ์ให้ปฏิบัติติดต่อกันแดชั่วโมงเลยเหรอครับหลวงพ่อผมขอต่อรองเป็นเจ็ได้ไหมครับเดินสามชั่วโมงครึ่ง นั่งสามชั่วโมงครึ่งแม้รู้ว่าทำได้ยากก็อยากต่อรองไม่มีการต่อรองใดๆจำไว้ว่าในอนาคตสิทธิของเธอเขาจะเดินและนั่งติดต่อกันได้เจ็ชั่วโมงสิทธิผู้หญิงด้วยเพราะผู้หญิงมีความเพียรมากกว่าผู้ชายเธอเป็นอาจารย์จะต้องเก่งกว่าสิทธิต่อไปจะได้เพิ่มขึ้นวันละสองชั่วโมง จนกว่าจะเข้าถึงความสงบที่พระพุทธองค์ตรัสรับรองไว้ว่านัตติสันติปลังสุ ข, ขังครับผมจะเพียรพยายามจนถึงที่สุดแม้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ยอมต้องอย่างนั้นสิทธิพระตถาโคตต้องเด็ดเดียวกระหาน ต้องดำเนินรอยตามพระบรมครูของเราเธอคงจำได้ใช่ไหมก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้นั้นทรงอธิษฐานจิตว่าอย่างไรทรงอธิษฐานจิตว่าแม้เลือดเนื้อในกายเราจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามหากยังไม่บรรลุโพธิญาณเราจะไม่ลุกจากที่นั่งภายใต้ต้นอสัตถพฤกษ์นี้ นี่ถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้ในวันนั้นพระพุทธศาสนาก็คงไม่อุบัติขึ้นมาในโลกใช่ไหมครับพระองค์ทรงมีพระไตยเด็ดเดียวแน่แน่เกินคนธรรมดาสามัญ น, นะครับหลวงพ่อถูกแล้วทั้งนี้เพราะทรงบำเพ็ญบารมีถึง20สิบอสงไขยกำไรแสนกลับจึงทรงกล้าที่จะเอาชีวิตเข้าแลกการปฏิบัติในขั้นอุกฤษต้องยอมเอาชีวิตเข้าแลกจึงจะสาเร็จ ขอให้เธอภาคเพียนต่อไปนะความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมนี่เองรีบไ ข, ขว้าเอามาให้ได้เอาละลงมือปฏิบัติได้แล้วภิกษุวัย45ากลับอาจารย์สามครั้งและจึงเริ่มต้นเดินจงกรมระยะที่หนึ่งโดยบริการว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไปเรื่อยๆเดินได้ประมาณสองวาจึงกำหนดกลับ ท่านบริกรรว่ากลับหนากลับหนา4สี่คู่กระทั่งหันกลับมาสี่คู่กระทั่งหันกลับมาทางทิศ ท, ทางเดิมที่อาจารย์นั่งอยู่ทว่าท่านไม่พบอาจารย์นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วหลวงพ่อดำไปไหนมาไหนรวดเร็วดุดลมพัดนั่นและหนา อ, อย่างนี้ถ้าไม่ให้เรียกว่าผู้วิเศษแล้วจะให้เรียกว่าอะไรหนาท่านนึกถึงอาจารย์ด้วยความชื่นชม ยกย่องเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงปฏิบัติทีวปัสนากรรมฐานกับพระในป่าจนเวลาล่วงไปอีกหวันหลวงพ่อดำกำหนดให้ท่านปฏิบัติเพิ่มวันละสองชั่วโมงในวันที่หท่านจึงเดินไปนั่งติดกันนับเป็นเวลา16ชั่วโมงเวลาจำวัดแทบจะไม่มีส่วนอาหารก็ได้ผลไม้ที่เทวดาเนรมิตรให้วันละหนึ่งผล ซึ่งก็พออย่างชีพให้อยู่ได้ไม่ลำบากนะักนอกเหนือจากเวลาที่ปฏิบัติหลวงพ่อดำจะสอบอารมณ์ซักถามข้ออัตถะข้อธรรมและให้ความรู้ในด้านทฤษฎีเพื่อวางรากฐานให้มั่นคงทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติภิกษุรัตัญยูรู้ว่าอนาคตสิทธิผู้นี้จะต้องทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่คือการสอน เผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แพร่ขยายออกไปยังหมู่มนุษย์ผู้มีปัญญาเป็นผู้บอกทางและนำทางแก่สัตว์โลกผู้มุ่งสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์และดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาเหมือนที่พระอริยเจ้าทั้งหลายดำเนินมาแล้ววันรุ่งขึ้นบรรยากาศภายในป่าดงพเยาเย็นดูสดชื่นแจ่มใสกว่าทุกวัน ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมกลุ่นกรำจายไปทั่วบริเวณผีเสื้อหลากสีก็พา ก, กันบินเวียนวนปะปนกับฝูงผึ้งที่แข่งกันเคล้ากรึงเกสรดอกไม้มูนกส่งเสียงร้องเพลงดังเจ้จ้าบ้างก็เหินขึ้นไปล้อลมเล่นอยู่กลางเวหาธรรมชาติรอบตัวดูราวกับจะช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจให้กับภิกษุ เพียงเพ่งเผาเกลเลทเพื่อพบกับความบริสุทธิ์หลุดพ้นดังที่ได้ตั้งปณิธานไว้หลังจากสงน้ำชำระร่างกายและครองผ้าสามผืนเรียบร้อยแล้วน่าแปลกที่วันนี้ผลไม้ทิพย์ มีขนาดใหญ่กว่าที่ท่านเคยฉันในวันก่อนๆเทวดาคงรู้ว่าท่านจะต้องใช้เรียวแรงมากในการทำความเพียรหนักกว่าทุกวันกล่าวคือจะต้องเดินและนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานถึง18ปดชั่วโมงขออนุโมทนาที่ท่านให้พัดอันเป็นทิปแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอดด้วยสั จ, จวาจาที่กลาวนี้ ขอท่านจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วด้วยเถินท่านตั้งจิตแสดงกตะเวทิตาธรรมต่อเทพผู้ให้อาหารซึ่งเปรียบประดุจให้กำลังแก่ท่านเสร็จจากพัฒกิจภิกษุวัย45จึงเดินกลับมายัางที่เดิมและเริ่มต้นเดินจงกรมระยะที่หนึ่งซึ่งจะต้องใช้เวลาชั่วโมงครึ่ง จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเดินระยะที่สองที่สไปจนถึงระยะที่6แต่ละระยะใช้เวลาเดินชั่วโมงครึ่ง6ระยะก็เป็นเวลา 9. ชั่วโมงขณะนี้เวลาประมาณ7นาฬิกาท่านจะต้องเดินไปจนถึง16นาฬิกาหลังจากนั้นก็เข้าไปนั่งภาวนาอยู่ในกรดจนถึง1นนาฬิกาของวันใหม่จึงถือว่าปฏิบัติ ติดต่อกัน18ชั่วโมงตามที่หลวงพ่อในป่ากำหนดให้นับเป็นเรื่องที่สาหั ส, สาการพอสมควรเพราะการเดินไปเดินมาติดต่อกันนาน9ชั่วโมงนั้นทำให้ขาทั้งสองข้างแข็งเกรง็งเวลานั่งแทบว่าจะงอไม่ได้เลยทีเดียวในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการนั่ง ส่วนของร่างกายได้รับทุกขเวทนามากที่สุดคือขาทั้งสองข้างโดยเฉพาะเวลานั่งนั้นสุดแสนจะทรมานเสยิ่งกว่าการเดินหากผู้เพียรเพ่งเผากิเลสไม่สามารถทนต่อทุกขเวทนาได้การปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นผู้มุ่งความหลุดพ้นจึงต้องเป็นผู้มีติดใจเข้มแข็งเด็กเดียวและยอมสละได้แม้ชีวิตดังที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ได้ส่งบำเพ็ญเป็นแบบอย่างไว้แล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเดินกลับไปกลับมาอย่างมีสติสองชั่วโมงผ่านไปขาทั้งสองเริ่มประท้วงอาการปวดเมื่อยเริ่มปรากฏหากท่านก็ไม่ใส่ใจคงกำหนดยกหนอเหยียบหนอไปตามปกติเวลาผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงท่านก็เปลี่ยนมากำหนด ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเดินระยะที่สามชั่วโมงครึง่งแล้วเดินระยะที่สี่ซึ่งมีสี่หนอคือยกซ้อนหนอยกหนอย่างหนอเหยยบหนอแล้วเดินระยะที่สี่ซึ่งมีสี่หนอเหยียบหนอกว่าจะครบหระยะก็ต้องใช้เวลาเก้าชั่วโมง ขาทั้งสองของท่านก็แข็งเกรง็งราวกับท่อนเหล็กครั้นถึงเวลานั่งจึงกำหนดยอ่อหนออยู่นานกว่าจะยอมงอและนั่งลงได้ท่านนั่งกำหนดพองหนอยุบหนออยู่ในกรดแคบๆนั้นรู้สึกเบากายเบาจิตในช่วงแรกๆครั้นนั่งไปได้ประมาณสามชั่วโมงทุกขเวทนาก็มารงแล้ว รู้สึกปวดที่ขาทั้งสองข้างเป็นกำลังกระนั้นท่านก็ไม่สนใจยังคงกำหนดพองหนอยุบหนอต่อไปตามปกติท่านไม่ยอมให้เสียเวลามากำหนดปวดหนอเพราะรู้ว่าการกำหนดเช่นนั้นไม่ได้ทำให้อาการปวดหายไปหรือแม้แต่จะลดน้อยลงหน้าที่ของท่านขณะ น, นี้ก็คือใช้สติพิจารณาเวทนา หรือที่เรียกภาษาธรรมว่าเวทนานุปัสนาคือตามดูเวทนาตามรู้เวทนาของตนเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ว่าเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ว่าเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ว่าเสวยอทุกขมสสุขเวทนาเมื่อเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนา อทุกขมาสุขเวทนาเจือด้วยอมิตรก็รู้เมื่อพิจารณาเวทนาอยู่อย่างนี้ย่อมเห็นธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งคือความสิ้นไปความเสื่อมไปความเกิดขึ้นแล้วดับไปของเวทนาย่อมเห็นแจ้งว่ามันสักแต่ว่าเป็นเวทนาซึ่งมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยจึงเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลก มีชีวิตเบาสบายพระครูวัย45นั่งกำหนดอาการพองยุบของท้องอยู่นานถึง8ชั่วโมงครึ่งต้องต่อสู้กับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหาัสโดยเฉพาะที่ขาทั้งสองข้างกระนั้นท่านก็ไม่ย่อท้อด้วยรู้ว่า อีกครึ่งชั่วโมงก็จะครบกำหนดเวลาที่ได้อธิษฐานจิตไว้ตอนก่อนนั่งแต่แล้วก็ต้องผจญกับกองทัพมารมารผู้นี้ไม่ใช่เท้า ว, วัสวัตตีมารที่เคยผจญในวันที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะประทับนั่งภายใต้ต้นอัสัตตพฤึกล่าวคือไม่ใช่เทวปุตตมารแต่เป็นขันธมาร มานคือขันธ์หาอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสภาพอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ถูกปัจจัยต่างๆมีอาพาธเป็นต้นบีบคั้นเบียดเบียนเป็นเหตุให้ขัดขวางหรือรอนโอกาสมีให้สามารถทําความดีงามได้เต็มที่หรืออาจตัดโอกาสนั้นโดยสิ้นเชิง ท่านตั้งสติแน่วแน่ต่อสู้กับขันธมารอยู่ตามลำพังคิดว่าผจนกับขันธมารก็ยังดีกว่าผจนกับมัจจุราชมานคือความตายเพราะถ้าตายเส็จแล้วก็หมดโอกาสที่จะมาสร้างสมความดีงามเรียกว่าตัดโอกาสที่จะสร้างความดีงามเสียทั้งหมดขันธมารที่จเจ้าอาวาดวัดป่ามาม่วงผจนอยู่ในขณะนี้หนักหนาสาหัสที่สุด เพราะไม่ได้ปวดเฉพาะที่ขาทั้งสองข้างเท่านั้นแต่ความปวดกระจายไปทั่วสารพางประหนึ่งว่าร่างกายจะระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่แม้ร่างกายจะเจ็บปวดรวดร้าวสักเพียงใดก็มิทำให้จิตสงบนิ่งนั้นหวั่นไหวได้ท่านนั่งพิจารณาเวทนาไปเรื่อยๆคลั้นความปวดเมื่อยทวีขึ้นจนถึงขีดสูงสุดจึงตั้งจิตอธิษฐาน คือการตัดสินใจเด็ดเดียวแน่แน่ว่าตายเป็นตายข้าพเจ้าขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันสิ้นคาอธิษฐานท่านรู้สึกเหมือนว่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกายแตกกระจายออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรู้สึกหนักอึ้องเหมือนร่างของท่านกลายเป็นภูเขาหินแท่งทึบแขนขาดูหนักไปหมดความเจ็บปวดหายไป เหลือแต่ความหนักของขันห้าท่านรู้ว่าได้นั่งครบตามเวลาที่อธิษฐานจิตไว้แล้วจึงพยายามลืมตาหากก็ลืมไม่ได้เปลือกตาทั้งสองข้างดุดถูกทับไปด้วยหินก้อนใหญ่สังขารขันห้าช่างหนักแท้หนอท่านรำพึงอยู่ในใจและพยายามกําหนดลืมตาหากก็ไม่สามารถลืมได้เพราะมันหนักเหลือเกิน ท่านจึงนั่งประคองจิตกำหนดสติอยู่บัดรดนนั้นความเบากายจิตก็ปรากฏขึ้นท่านรู้สึกสดชื่นกับปรี่กระปราอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนรู้ในวินาทีนั้นว่าบัดนี้จิตของท่านเข้าสู่สภาวะอโศกลางวิระชังเขมังอันเป็นผลที่ให้ผู้เพียรเพ่งเผากิเลสมุ่งหมาย และท่านก็ได้ท ร, รมคติว่ามรคนิพพานอยู่เลยความตายไปนิดเดียวบัดนี้ท่านชนะขันธมาแล้วเป็นชัยชนะที่ไม่มีวันกลับแพ้จากตีหนึ่งถึงหกโมงเช้าภิกษุวัยส้าใช้เวลาทบทวนพิจารณาธรรมอนลม่มลึกด้วยความเพลิดเพลินท่านสามารถละลึกชาติแต่ผลหลังได้ถึงเจ็ดชาติ ตั้งแต่ชาติที่เกิดเป็นอินเดียสองชาติแล้วมาเกิดเป็นคนไทยไล่ลงไปตั้งแต่สมัยก่อนสุขโขทยัยจนสมัยรัตนโกสินทร์เคยเป็นกษัตริย์เป็นสตรีเป็นแม่ทัพเป็นเด็กชายอายุได้สองขวบก็ตกน้ำตายกระทั่งมาเป็นพระภิกษุสงฆ์ในชาติปัจจุบันแต่ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ต้องทุกข์ทั้งนั้น เพราะการเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังมีพุทธวจนะรับรองไว้ดังนี้การเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุขเมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกนี้คือความร้อนความหนาวความหิวความระหายอุจจาระปัสวะสัมผัสไฟสัมผัสต้นไม้สัมผัสสัตว์รา เมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกนี้บัดนี้ท่านได้เข้าถึงความไม่เกิดแล้วท่านจากไม่ต้องประสบทุกข์อีกต่อไปเพราะได้ข้ามพ้นวังวนแห่งสงสารสาครแล้วด้วยความเพียรพยายามอันยิ่งยวดชาติภพบจบสิ้นแล้วสำหรับท่าน